ในเรื่องของสุทธะมโนทวาริกาอติวิภูตารมวิถีชาวนาวาระชาวนาวาระที่เกิดในไหนเนี่ยที่เกิดในรูปภูมิใช่ไเกิดในอรูปใช่ไหมที่เกิดในรูปในหน้าที่24ในอารูปภูมิเนี่ยนะคือในวิถีนี่ ท่านแบ่งเป็นกอใ น, ในเกิดในการมาภูมิขอเกิดในรูปภูมิแล้วก็คอเกิดในอารมณภูมิก็แยกเป็นวิถีออกเป็น3าสาประเภท3ประเภทนี้ท่านเรียกว่าแบ่งไปตามภูมิแบ่งไปตามภูมิแล้วก็กําหนดวิถีขึ้นมาซึ่งเป็นอติวิภูตารมวิถีเป็นชาวนาวาระทั้งหมดเลยนะ เป็นชาวนาวาระที่ไม่มีอาคันตุกะผวงังไม่มีอตีต่ววาผวังด้วยแล้วก็ไม่มีอาคันตุกะภวังด้วยที่เกี่ยวกับกาเมชาหนะ27เว้นโทสะมุลจิสองหรือโทสะชาหน้าสองแบ่งออกเป็นสาประเภทในประเภทคอคือในอรู ป, ปรภูมินั้นเน่ยเป็นกาเมชาหนะ26เว้นโทะสะสองเว้นหะสีตุปาทัจจิต พ่อหาสีตุปาทจิตนั้นต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยรูปต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์และเกิดในภพภูมิที่มีขันห้าตั้งเกิดในภพภูมิที่มีขันห้าเป็นพาลฐานด้วยนะจิตของพาลฐานที่เป็นหาสีตุปาทจิตฉะนั้นในอารมณจึงไม่มี ว่าโดยบุคคลได้ติเหตุกุกบุตรชนหนึ่งอริยผลบุคคลสี่ว่าโดยภูมิก็คือเกิดในรูปภูมิสี่เมื่อวานนี้ว่าไปแล้วว่าโดยอารมณ์รับอารมณ์หนึ่งที่เป็นอติไทยธรรมชตานิฐานะที่เป็นธรรมอารมณ์เนี่ยได้แก่กามจิตเท่าไร่27บเจามเจิตเหลือ27เนี่ยอกุศลส2องมโนหนึ่งเอกุศลสบเว้นโทาสะสองมโนหนึ่งแล้วก็มากุศล8มกริยา8ด อรูปเอาจะเจ็ดสิบสอตามสมควรแก่ภูมิเออตรงนี้ดูไงโลกุตราจิตเจเว้นโสดาปฏิมาคโสดาปฏิมาคไปเกิดบนโน้นไม่ได้นะเจ็ดสิสี่สิเว้นโทเจตุกาสีอัปมัญญาสองบอกไปแล้วโทเจตุกาสีเกิดไม่ได้เพราะโทสาเกิดไม่ได้อัปมัญญาสองเกิดไม่ได้เพราะอัปมัญญามีสัตว์วัญญัติเป็นอารมณ์ ในที่นั้นไม่มีสัตววิบัญญัติเป็นอารมณ์แล้วเป็นกรรมฐานที่ต่ํากว่าที่เป็นเตกาลิกานิพานบัญญัติที่เป็นการลาวิมุตติทีนี้ดูตรงนี้ถามบอกว่าจิตเนี่ยที่เกิดได้อย่างนี้ในรูปราวจรจิตสิบห้านี่เกิดไม่ได้เลยนะในรูปเนี่ยในอารปณ์ภิเนี่ยในรูปราวจรจิตสิบห้าเกิดไม่ได้กลุ่มพวกอเหตุกจิต ก็เกิดได้เพียงมโนทาวารวชนะจิตหนึ่งเว้นไปเท่าไหร่น่ะเห็นไหมเว้นไปตั้งสิบเจ็ดดวงอากุศลได้สิบเว้นโทสะสองอเหตุกาจิตเว้นไปแค่สิบเจ็ด 17, เกิดได้หนึ่งคือมโนทาวารวชนะจิตหนึ่งมหากุศลเกิดได้มหากริยาเกิดได้ทั้งแปดแต่มหาวิบากแปดเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เห็นไหม และรูปาวจระจิตสิบห้าก็เกิดไม่ได้อีก ใ, ในอรูปาวจระจิตสิบสองเกิดได้นั้นโดยรวมตามแต่บุคคลและภูมิส่วนในโลกุตรจิตเกิดได้เจ็ดโลกุตรจิตมีแปดใช่ไหมโสดาปฏิมาคไปเกิดบนนู้นไม่ได้คือไม่สามารถที่จะไปทำโสดาปฏิมาคบนอรู ป, ปรภูมิได้ก็ก็เป็นอย่างนั้นนะนะ คือบนโน้นไม่สามารถเจริญวิปัสนาสามถาวิปัสนาที่จะเป็นพระโสดาบันได้เว้นไว้แต่ว่าเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยจะไปเจริญอริยมรรคเบื้องสูงได้เออเป็นอย่างนั้นนี่มองออกนะใ ห, ให้เข้าใจอย่างนั้นเสียทําเนี่ยในในในนี่เป็นอย่างนี้โดยสรุปก็คือว่าจิตอะไรบ้างเนี่ยเกิดกับเขาไม่ได้เนี่ยอันนี้แบบคิดแบบคร่าวๆตรงนี้นะ อโทซาสองอเหตุการจิตสิบเจ็ดเว้นโมโนเป็นเท่าไหรแล้วเนี่ยเป็นสิบเก้าหมายวิบากแปดเป็นเท่าไรไไนแล้วก็โกสาดาปฏิมาอีกแหละแล้วก็ถูกต้องแลยนอกนั้นก็เว้นออกไป ดังนั้นก็เว้นออกไป น, นี่เป็นงี้นั้นเขาต้องบอกว่ากามะจิตยี่สิบเจ็ด 27. ได้แค่นี้แหละการมะจิตได้ยี่บเจ็ดนะตรงนี้ก็ก็ทีนี้เดี๋ยวพอดูอนในรูปแล้วกลับไปดูในข้อขอหน่อยที่เกิดในรูปภูมิอะในรูปภูมิให้สังเกตดูนะว่าให้สังเกตว่าถามว่ากามะจิต เขาบอกว่าโดยอารมณ์เนี่ยอติอิทัยธามชัชตะแล้วก็อ น, นิธะอารมณ์สรูปารมณ์ศัธารมณมธรรมารมที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานนรูสิบสามอ่ะตอนเนี่ยถ้าในในรู ป, ปรภูมิท่านไม่ได้แยกแยะตัวจิตตัวอะไรเข้าไว้ ว่าจำนวนเท่าไหรเท่าไรอย่างไรเนี่ยที่ว่าไปรับเกี่ยวในเรื่องของอารมณ์ท่านจะบอกโดยรวมว่ากางมจิตมาคตจิตโลกุตระจิตเจสิกที่ประกอบแล้วก็เว้นโทจะตุ ก, กะอ น, นิพันธ์นรูปที่เป็นเตกาณิกะแล้วก็นิพันธ์วิญญิที่เป็นการและวิมูต์ก็จะกล่าวเพียงเท่านั้นน่นะอะไรตรงนี้ก็ผ่านพ้นเลยไปก็ไปดูหน้าที่ออยี่สิบห้ายอมตุตามไปหน้าที่ยี่ห้า ในหน้าที่ยี่ห้านี่ที่เป็นชาวนาวาระมีอตีแต่พระวังไม่มีอาคันตกุกะพระวังที่เกี่ยวกับโทสาชาวนาเนี่ยสองนี่เนี่ยเจดประเภทก็คือที่มีอตีแต่พระวังหนึ่งขณะดสองขนาดสามสี่ห้าหถึงเจดขณะถึงจะมาเป็นพระวังขจรนาคุปเฉทฐานแล้วก็มโนทวารลชนะนี่ก็เป็นไปตามใ น, นั้นแต่ในที่นี้ไม่มีอาคันตุกะพระวังนะ เพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นปฏิสนธิด้วยอุเบกขาภาวังหกก็คือปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณจิตสองมหาอิบากอุเบกขาสี่ในขณะนั้นมโนทวารวัชนาก็ลำพึงถึงอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจยัยให้กระทศาชาวนาเกิดขึ้นเจดขณะแล้วก็ลงผวังได้ตรงนี้อารมณ์เป็นอย่างไร อารมณ์เป็นอย่างไรทั้งทงที่ในวิถีนี้รับอารมณ์ในสภาวะที่ดียิ่งเนี่ยฉะนั้นเถ้าว่าโดยบุคคลได้บุคคลเท่าไหรเนี่ยปุทุชนสี่อริยผลเบื้องต่ำสองเพราะเป็นโทสาชนะเห็นเออเวลาตรึกหรือคิดถึงในเรื่องของบุคคลเนี่ยตรงนี้สังเกตยอย่างนี้ สังเกตตัวปฏิสนธิตัวผวังหน้าและหลังเนี่ยตรงนี้ก็ได้ได้ก็คิดได้ส่วนหนึ่งส่วนอีส่วนที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าดูโทสะโชนะดูโชนะที่ประกอบก็มาไล่แบบนี้วิธีคิดเนี่ยย้อมตัวคิดยังไงรู้ไ้มปุตุชนสีทุกขติเหตุกัะ บ, บุคคลโทสะก็ยังมีอยู่พวกอบายศัตว์ทั้งหลายสุกติเหตุกัว บ, บุคคล ก็โทสะก็มีเทวีเหตุกบุคคลบุคคลที่มีเหตุสองก็ยังมีโทสะอยู่ติเหตุตุกบุตรชนก็ยังมีโทสะอยู่โซดาบันบุคคลก็ยังละโทสะไม่ได้โทสะที่จะละได้ประเภทนําไปสวดบายเท่านั้นแต่โทสะแบบประเภทที่ไม่นําไปสวดบายก็ยังละไม่ได้พัสกาทาคามีบุคคลก็ยังไม่ประหารโทสะโดยเป็นสมุทเฉทะโดยสรุปไหมแต่ถ้าผ้านาคาประหารโทสะแล้ว พระอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นจึงเว้นบุคคลสองจำพวกคือผ้านาคาแล้วก็พระอาราหันต์ได้บุคคลหกฉะนั้นอายะผลบุคคลจึงได้เบื้องต่ำสองนี่เนะี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนก็ไปสนทนาสนทนากับพระท่าน พรท่านก็มาเล่าใฟังที่ท่านท่านก็บอกเล่าให้ฟังก็บอกว่าท่านบอกอาจารย์อาสูลกายเนี่ยเป็นยังไงท่านก็ถามก็ถามว่าเอ๊ะแล้วที่ผมเห็นเนี่ยใช่ไหมก็เลยถามเออแล้วท่านเห็นยังไงท่านก็บอกว่าผมเดินเข้าห้องน้ําเนี่ย แล้วก็ก็เห็นคนนั่งอยู่อันนี้คนนั่งอยู่ทีแรกผมก็ตกใจฟุบเลยครับเขาก็นมมือมานั่งมามามามานั่งเลา่าให้ฟังผมก็ตกใจชุดขาวหมดเลยแล้วก็ผมยาวประประพื้นนี่นั่งอยู่แต่หน้าตาหมองคล้ำมีฟันงอกสองซี่ อาจะไมเห็นยังงั้นก็จากผมกับเขาเนี่ยห่างกันไม่ถึงวาเห็นชัดหมดเลยครับน่ข้างนอกด้วยนะคือนังทางที่จะไปห้องน้ำเนี่ยกรท่ก็ถามว่านี่คืออะไรใช่อสุรกายมัง <c oughs> ก็เลยบอกว่าตอบยากนะครับ เงแบบนี้ตอบอยากเพราะว่าเราไม่รู้ไงแต่จริงๆถ้ากลุ่มของอสุรกายตามว่าทรคำสอนโดยมากจะสิงนะถ้ากลุ่มพวกนี้จะเข้าสิงหรือว่าเข้าอัมเข้าอะไรประเภทนี้เป็นต้นถ้าลักษณะเช่นนี้มักจะเป็นอย่า ง, งคือบางทีอาจจะเป็นกลุ่มเทวดาครึ่งเทวดาครึ่งเปรตหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ แต่เท่าที่เท่าที่เห็นท่านก็บอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยหน้าตาบ่งบอกถึงความทุกข์ถึงความเศร้าหมองอย่างมากก็เลยบอกว่าเป็นบุญของท่านนะถามว่าผมจะทำยังไงตอบให้ตรึกแล้วถามเลยให้ตั้งสติสําลวมวางจิตให้เป็นเมตตาแล้วถามเลยว่าท่าน ทำกรรมอะไรมาจึงได้อยู่ในอัถภาพเช่นนี้ให้ถามเช่นนั้นผมชังจะตั้งจิตตัวผมจะตั้งใจถามได้หรือเปล่าคือท่านเห็นเรื่อยเลยตอนนี้ตอนนี้ท่านเห็นเรื่อ ย, <ล>อยเห็นหครั้ไม่ใช่เป็นโลกเป็นนั่งอยู่เลยล <ะ S 2> เอ่ะใชแต่แต่ต แกบอกแกบอกเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยและและตอนคืนจะเห็นทุกคนืนจะจะมาตลอดจะมาเดินไปเดินมาแล้วก็เรียกกันอยู่นั่นเลยบางทีก็หายไปอะไรย่างเงี้ยก็เลยบอกโอ้อยางงี้ท่านต้องอุทิศส่วนบุญนะครับคือเรานั้นน่ยสามารถที่จะอุทิศให้เขาได้เขาจึงปรากฏให้เราเช่นนี้ ก็เหมือนท่านบอยเนี่ยพอได้ยินเลยมากมากแล้วท่านมาโนเชตเนี่ยออยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงะขอเลยมาขอเห็นหน่อ ย, ลยแล้วมายิงเนาะเห็นไหมถ้าลักษณะเช่นนี้อยากรู้ว่าเอ๊จริงหรือไม่จริงพอขอได้คือจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีจริงนะมีจริงอย่าเพาิ่งลบหลู่แล้วก็ ให้รู้ว่าเราเน้นไม่ได้อยู่คนเดียวเน้นให้ตรึกอย่างนั้นที่เรานั่งฟังนั่งเรียนว่าทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้นั่งคนเดียวเลยเนะยให้คิดอย่างนั้นทษสิ่นั่นแหละคือกรรมเศ้าหมองบางทีก็เคยผูกพันกับท่านเหล่านั้นไว้ก็ตามอ่ะเลยก็ตาม หรืออยู่ที่ตรงนั้นออกจากที่ตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องเวียนไปเวียนมาเมื่อไหร่นนอจะมีคนมีบุญมาช่วยตัวเองให้ออกจากอัตภาพเช่นนี้ได้ก็จะ ถ้าเป็นก็ยะมาอยู่ใกล้อาจารย์นึกม่อยู่ไกลๆนึกไม่เอาหรอกบอกไม่ช่วยหรอกเท่านี้ใครเนี่ยบอกต้นชือรีอไม่ช่วยแล้วบอกช่วยม า, มากๆแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหว บอกบอกผักมาให้ยอมตุย๋ยเราช่วยๆหน่อยดิเนเราบากมากแล้วเนะ <c oughs> น่ากลัวนะยอมตุยนะ๋ยเนี่ยชาติน่ากลัวมาก <c oughs> เราไม่รู้เลยเนี่ยที่เรากาลังนั้นๆกันอยู่เนี่ยว่าโอ้โหเราบางที่คุยพู ء, อะไรกันก็ไม่รู้มองว่าขณะนี้เป็นทุกนะจากที่ปฏิญาณตายเขาเป็นแต่ทุกจริงทกมากแล้วแล้วแล้วที่บอกว่าอะไรรนะู้ไหม พระพระก็ไม่รู้จะนั่นยังไงท่านไม่ได้อุทิศมั้ยยังตามไปในห้องอีกนะท่านก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องตามท่านไปในห้องอีกแล้วก็ไปลักษณะจับขาท่านเนะี่ยในํานองว่าให้ให้รู้สึกนะอ่ะ ค, คือหน้าตาบ่งบอกว่าทรมานจริงๆว่างนะั้นบ่งบอกนะก็เลยถาม ที่ี่ทีนี้เวลาพระท่านอุทิศก็อุทิศรวมก็ไม่ได้อีกใช่ไห ม, ไมเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าไปทําอย่างงั้นต้องอุทิศโดยโดยเจาะจงนะถ้าอย่างนี้ต้องเจาะจงนะก็เลยบอกอย่างนี้ต้องเจาะจงนะใช่ใช่ใช่ใทุกคน ไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปเล่าให้ใครฟังเห็นอาจารย์ก็เลยบอกอขอขอวิธีปฏิบัตินี้ก็เลยบอกไปนะู่ออกกนกดใช่ใช่จริงจริงต้องถามต้องสื่อถามเลยโอ้โหต้องคิดหนักเงินเลยก็บอกว่าเดินเข้าหาเลยว่างั้นเลย ตัดสินใจเดินก็หาอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วเขาก็วุบหายไปเลยพิดแล้วผิดใชะวุบหายไปแล้ว<ม>ที่เห็นที่แรกก็ขนาดเนี้ยพอเดินเดิ น, เ ด, นเดินเข้าไปอีกก็ยังเห็นหน้าตาบ่งบอกทุกข์มากมองตาแล้วห้อยฟันยื่นสองซี่บอกแ ล, แล้วผ้าก็ขาดขาดปลุกปลก เนี่ยเสื้อผ้าขาวเนี่ยเป็นชุดขาวๆเหมือนยมสุรีเนี่ยเจ็บปวดมากชีวิตจะเจ็บปวดมากชีวะเจ็ อีกครั้งหนึ่งนับอกว่าอันนี้เห็นเป็นพระเลยผอมดำเกรียมจีวครคล้ำๆหน้าตาก็หมองนั่งอยู่ันตะวัด <c oughs> น, นี้น่าคิดเนะี่ย น, นี้น่าคิดแล้วท่านบอกจาได้ด้วยนะคุ้นเคยมากกับคนคนเดียววนะเนี่ยคุ้นเคยมากแล้วก็บอกเอออย่างนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ท่านมีบุญแล้วท่านมีบุญแล้วนะ ก็พยายามมุทิศส่วนกุศลให้ให้เต็มที่ช่วยลนุเคาะกันไปบางทีเป็นพระไปผิดพลาดใช่ไหมผิดพลาดก็เลยออกมาในอัตภาพของความเป็นพระเนี่ยกลัวกลัวกลัวจะจําไม่ได้ก็เลยเอาอัตภาพเดิมนั้นไม่หายใจคนประเภทคนละประเภทเลยมากก็คือบางทีก็ต้องเรียกกันอยู่พอดึกดก็เรียกกันเดินตะโกนหาอยู่ไหน อยู่ไหนอยู่ไหนตะโกนตะโกนเรียกกั น, นดได้ยินเสียงเตือนกึกกึกกึึกึกตะโกนเรียกกัน<ม><ม>บอกชีวิตไม่เคยเจอก็ต้องมาเจอลักษณะเช่นนี้<ว> <ตะ S 2> เขาไม่ไม่ได้ประโยชน์จากการปรากฏให้เราเห็น<ะ>ไม่ได้ประโยชน์อดูที่มีชวนะ ที่มีอัติตัาผวังไม่มีอาการตุกับวังที่เกี่ยวกับโทสะาชาวนะในหน้าชีดที่หน้าที่ยี้าเนี่ยนะในเนี่ยเกิดกับปุถุชนสี่อริยผลบุคคลตร่องต่ำสองเพราะเป็นโทสะชาวนะดังที่ได้กล่าวแล้วก็ว่าโดยภูมิก็กามาภูมิสิบเอ็ดดูตรงไหนดูอุเบขาผวังหกอุเบขาสองก็หม้ายบากเวขาสีา่ ก็ทากิจปฏิสนธิในภูมิเหล่านี้ในการมาภูมิสิบเอ็ดอบายภูมิสี่มีอยู่มีอยู่ดวงเดียวนะเวขาสันติรณนะอกุศลวิบากทํายังไงเนอะเราจะดับใช่ไหมนามรูปจะดับณที่ไหนวิญญาณดับณที่ไหนนามรูปก็ดับณที่นั่นที่พระเจ้าตรัสไว้ถ้าปฏิสนธิวิญญาณในอบายภูมิดับ ตัวนามรูปที่เกิดในอบายภูมิก็ดับด้วยจะดับได้ด้วยโสดาปฏิมาค์นะทำยังไงเน้ะ no. จะทำโสดาปฏิมาคให้เกิดขึ้นได้ลำดับแรกด่านแรกะถ้าอย่างนั้นปฏิสัณฑที่วิญญาณในอบายภูมินามรูปที่จะต้องเกิดสืบต่อนี้อบายภูมิมันะมาจากอะไรสังขารใช่ไหมสังขารเป็นปัจจัยกับ วิญญาณเนี่ยอะไรล่ะอาปุญญาพิสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยกับปฏิสนธิวิญญาณในใบยภูมิส่วนอาปุญญาพิสังขานั้นมีปัจจัยคืออวิชาคือเป็นเครื่องกลางกัน้นเป็นตัวหุ้มหอ่อปิดไหนปิดอาใบพุ่มปิดไม่ให้เรารู้ว่าในนั้นมันเป็นทุกข์มองเห็นใช่ไหมไอตัววิชาเนี่ยปิดกัน้นไม่ให้เราเห็นว่าในอบยภูมิเนี่ยโลกในในใบพุ่มมันเป็นทุกข์มันมีอยู่จริงนะ ก็ไม่รู้ก็ไม่เชื่อบอกกันยังไงก็ไม่คยอยากจะเชื่อกันหรอกก็นี่ไงบางทีก็ตะเลิดกันอยู่เงี้ยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนี่หารู้ไหมว่านั่นคืออปุญญาพิสังขารที่เป็นตัวเหตุที่จะนำปฏิสนติในไบยภูมินี่คืออวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมันกลางกั้นในอบัยโลกกลางกั้นแบบนี้มันปิดกั้นมันห่อหุ้มมันหุ้มไว้มันเป็นอย่างนี้ ก็ตรึกพิจารณาดูตรงนี้นะถ้าเรียนปฏิสนธิต้องเรียนตรงนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้เรายังยังเรายังกันไม่ได้เลยนะนามรูปในใบพูมย้อมตุยยังไม่ได้เลยใช่ไม่ใช่เนี่ยพวกเรายังไม่ได้เลยนะเนี่ยที่ตรึกพระธรรมกันอย่างนี้ไม่ใช่โอ้โหคิดพระธรรมได้มากละพ้นในใบพรมคนละเรื่องคนละเรื่องเลยแต่ว่าต้องคิดไปเพื่อ น, น้อมที่จะออกจาก พบภูมิเหล่านั้นถ้าอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากหนึ่งอันนี้ก็ปฏิสันที่ในมนุษย์หรือเทวดาเบื้องต่ำที่บ้าใบา บ, า บ, าบอดหนวกยังมีไหมวิญญาณประเภทนี้ยังมีอยู่ไหมมีเรายังลาไม่ได้เลยใช่ไหมสวดาปฏิมักยังลยังยังยังไม่เกิด ส, สกาทาคา ม, มีมักยังไม่เกิดก็ยังดับดับไม่ได้ ดับวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้เพราะดับวิญญาณไม่ได้นามรูปก็มีเมื่อมีนามรูปก็มีสราญตะนะก็มีผัสสะมีเวทนาอุ้ยตามมาอีกเยอะนี่เป็นอย่างนี้มองมองให้เห็นมหาวิบากระเบิวคัสสีมห า, าอิอาบากเวคัวสีได้ในการปรศุกติภูมิเจ็ดเอาสิยังยังดับไม่ได้เลยภูมิเหล่านี้วิญญาณเหล่านี้ โดยสรุปก็คือว่าปฏิสนธิวิญญาณต่อไปก็ไปทําหน้าที่พวังรักษาภพเนี่ยดูเหมือนดีแต่เป็นทุกข์ขัดนะใช่ไหมใช้ยันว่าเป็นทุกข์ขัดไหมเป็นทุกข์สที่เราจะต้องุยทรมานกันสักปานใดอันนี้เป็นชาติเมื่อเป็นชาติแล้วชราตามมาบรมนตามมาไปเกิดกับไฟก็เผาอยู่นะไฟคือราคะเป็นตน้นเผาใช่ไหมโยมดัวมันจะเผา คนละสิบอกองสิบอกองว่าไปเนี่ยโทสะเฉลนะเกิดก็อีกอย่างนี้ทํากรรมแลยนะเนี่ยถ่านโมโหโทสะเวลนะเกิดนีทั้งๆ ท, ท, ที่อารมณ์ดีดูสิเนี่ยอารมณ์เป็นอติอิทธารมือแต่โทสะเวลนะเกิดลองดูดิแท้จริงอย่างนี้มองอารมณ์นั้นเป็นเป็นผลของบุญนะอารมณ์ประเภทเนี้อติอิทธารมือแต่ทําไมมณสิการไม่ถูกเห็นพระทั้งทีทำไมถึงมณสิการไม่ถูก ได้ยินเสียงพระทั้งทีทําไมมนาิการไม่ถูกงุดงิดเรื่อยเป็นเพราะอะไรเนี่ยอย่าแปลกใจมันไม่ใช่คนอื่นผิดเนี่ยมนสิการก็เราพลาดแล้วแล้วโทสะเกิดขึ้นกับใครเหมือนว่าไงเนี่ยคุยภัยหรือ น, นี่เป็นอย่างนี้อารมณ์เป็นอติอิทธารมอารมณ์หกที่ที่เป็นนั่นละที่เป็นอติธารมที่เป็นปัจจุบันนิพพานรูปสิบแปด ปัจจุบันนิพพานรูปสิบปดนี่นะเป็นปัจจุบันด้วยอารมณ์เนี้ยรู้ได้ยังไงบอกมีอาตีตาผวังวิถีใดมีอาตีตาผวังวิถีนั้นรับอะไรรับปัจจุบันนิพพานรูปนี่นะต่อมาคือชาวนาวาละที่มีอาตีตาผวังและก็มีอาคารดุกะผวังอีกเจ็ดประเภทอันนี้เกี่ยวกันในเรื่องของ ของมีอาคารตุกขาพวังมีอตัติจักรพวังด้วยแล้วก็มีอาคารตุกขาพวังด้วยเหมือนกันเลยอารมณ์เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่า<ม>เดี๋ยวดูนี้ก่อนต่อไปดูชาวนาวัลลที่มีอตัติจักรพวังห น, นึ่งถึงเจ็ดขณะนี้เจ็ดประเภทนะที่เป็นโทส่าชาวนาะพวังหน้าและหลังเป็นกามาสมณัสพวังสี่คือมหาบาสมนัสสี 4, ท่ทํากิจปฏิสนธิมาใช่ไหมมีในใบภูมิไหมพวกเนี้ย ไม่มีใช่ไหมไม่มีโยนตุ้ยเวลาโทรศาสตร์เกิดขึ้นนี่สร้างเหตุปัจจัยไปไหนอนบายภูมิไหมเนี่ยอบายภูมิมีโอกาสเพราะเชื่อกีกแล้วโอ้มีไมมวันวันหนึ่งที่เราจะไม่สร้างสังขารในใบยภูมิอาะมีไหมนี่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนะเราสร้างเชื้อก็บอกไม่อยากไปกันเลยเนะี่ยถามเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากไปเลยเนี่ย แต่ถามว่าเล้วยังโกรธไหมถ้ถาถ้าอย่างเงี้ยถา้ถาถ้าอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ปลอดภัยนะไปไม่บ้านแล้วเตรียมดับได้แล้วทีนี้อาคันตุกะผวังนี้มีเพราะอารมณ์นั้นเป็นอติอิธารมชาวนาเป็นโทสะแล้วผวังหน้านั่นมาเกิดต่อจากชาวนะไม่ได้เพราะเป็นสมนณะเกิดต่อจากโทมณะสเวยนาไม่ได้ อาคาันตุกะพระวังนี่มีหเพราะเป็นอติภูตาร ม, มิถีว่าโดยบุคคลทวิเหตุกบุคคลหนึ่งติเหตุกบับปุชนหนึ่งทําไมาไม่มีทุกขติอเหตุกบุคคลสุกติเหตุกับบุคลลบคลทำไมาไม่มีในตรงเนี้ยทุกขติอเหตุกบุคคลไม่มีแล้วก็สุขติเหตุกับบุคคลไม่มีเพราะเพราะอะไรในตัวปฏิสันที่เขาไม่มีพวกนี้ปฏิสันที่ด้วยเวขาสันติสองสองบุคคลนี่เนี่ย ส่วนผ้านาคาผ้าอะหันก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วนี่เกิดกับพระอริยบุคคลเบื้องต่ำสองกับทวีเหตุก บ, บุคคลกติเหตุทุกขะปุถุชนได้บุคคล4ี่นะเนี่ยมองให้ออกก็ได้สี่ยังไงถ้าภูมิก็ได้แค่การมัสุกติภูมิเจ็ดได้การมัสุกติภูมิเจ็ดถามว่าในสองบุคคลเนี่ยกลุ่มไหนมีสิทธิ์ไปไบโยภูมิกลุ่มไหนไม่มีสิทธิ์ไปไบโยภูมิก็ต้องแยกเป็นสองประเภทเล ทวีเหตุกบุคคลกติเหตุกตะบุรุชนเนี่ยมีสิทธิ์ไปอบายภูมิอีกนะในขณะที่โธสาเกิดส่วนอริยบุคคลเบื้องต่ำสองถึงโธสากเกิดเขาก็ปิดอบายภูมิแล้วถ้าจะเกิดก็ขอให้เกิดอย่างในขณะที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยเบื้องต่ำสองเพราะฉะนั้นถ้าโธสาเกิดของเขาก็เป็นโธสากที่ไม่เป็นไม่นำไปสู่อบายภูมิถ้าต้งแยกกันเอาไว้เนะี่ยใช่ไหมอันนี้คือว่าโดยบุคคลได้บุคคลสี่ ทวีเหตุตุก บ, บุคคลติเหตุตุก บ, บุตรชนรยายะผลเบื้องต่ำสองนี่นะที่กลุม่มกุฏิศาสชาวนาะที่เป็นการผสมนัดผวังทำรรกิจปฏิสนธิว่าโดยภูมิเกิดในการมสุกติภูมิเจ็ดว่าโดยอารมณ์ก็คือราบอารมณ์ที่เป็นอติอิฐ า, ารมณ์อารมณ์หที่เป็นปัจจุบันนิพพานนรูปอันไหนมีอตีแต่ผวังก็มีปัจจุบันนิพพานนรูปเป็นอารมณ์ก็แล้วกันนี่เป็นอย่างงี้ อ่ะต่อไปไปดูชวนาวาระที่ม่มีอาตีแต่ผวังและก็ไม่มีอาคันดุกับผวังพระบอกไม่มีอาตีแต่ผวังนี่แปลว่าบดล็อกในเรื่องของปัจจุบันแล้วไม่มีอาคันดุกับผวังอันนี้ก็รู้เลยว่าเป็นการ ม, มาปฏิสนธิด้วยอุเบกขาผวังหกยังไงก็เหมือนกันกับที่มีอาตีแต่วังนั่นแหละต่างกันตรงอันนี้ไม่มีชวนะเป็นโทสะแล้วก็ว่าโดยบุคคลบุคคลหก ไม่ใช่บุคคล4นะบุคคล6กปุตุชนสี่อริยผลเบื้องต่ำสองเหมือนกันกับประเภทแรกเหมือนกันทีนี้ว่าโดยภูมิการมภูมิ11เหมือนกันเลยนะว่าโดยอารมณ์เนี่ยเหมือนกันโดยอารมณ์แต่ต่างกันโดยการอารมณ์6อารมณ์6ที่รูปอารมณ์ ต, ตาอารมณ์กันธารมณ์ละสารมณ์โผฏฐาพารมณ์และธรรมอารมณ์ที่เป็นอดีตาอารมณ์นะที่เป็นอดีตอดีตนี่ไม่ใช่ปัจจุบันแล้วอนาคต แล้วก็นิพพานในรูป18แล้วก็ธรรอารมณ์มันได้แก่กามรมจิตห้าบเอ็ดเว้นโทสะสองทุกขาสาคตากายเยญยาณจิตทำไมจึงเวน้นรู้ไหมทำไมจึงเวน้นทําไมจึงเว้นโทสะมรจิตสองทุกขาดสาคตากายเยียาณจิตหนึ่งเพราะเพราะอะไรเพราะอารมณ์เป็นอติถารม์อติถารม์นั้นโทสะไม่ได้เป็นอติฐารม์ไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่ดียิ่งนะมองใช่ไหม ทกกายด้วยทกกายก็ไม่ได้เป็นอติธารลมถ้ามองอีกทีก็คืออย่างนี้ไม่ได้เป็นอารมนาทิบพเดียอารมณ์ประเภทนี้ไม่ไม่เป็นอารมนาทิบเดียฮะแล้วก็มากัตตจิตยี่สิบเจ็ดแต่ไม่ใช่มาคัตจิตแล้วก็เจสิกสี่สิบแปดเว้นโทเจตุกะสี่เว้นโทศาสสองโทเจตุกะสี่ก็ต้องเว้นไปด้วยเพราะโทเจตุกะเจสิกสี่ก็ไม่ได้เป็นสภาพที่น่ายินดีอะไร ไม่ได้เป็นอารมณ์หรือสภาวะอารมณ์ที่ดีอันนี้ผ่าน่รูปสิบที่เป็นเตกาลิกะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็บัญญัตินะทำไมรับได้แค่บัญญัติเพราะโทสาไงโทสารับนิพานไม่ได้แต่โทสานั้นสามารถรับมหาคตาได้มหาคตารำได้บัญญัติรมได้รรไดกามมา ร, รมได้นะอารมณ์หกได้ อารมณ์ที่ดียิ่งโทสะก็รับได้แต่โทสะนั้นไม่เข้าถึงสภาพของอารมณ์นั้นได้อย่างแท้จริงใช่ไหมเกิดจากวิปริตมนสิยการมนสิยการผิดพลาดก็เลยไกลเป็นปัจจัยเกิดโทสะทั้งๆที่ อ, อารมณ์นั้นดีนะแต่ถ้าหากลองไปตรึกถึงโทสะเนี่ยอารมณ์ในขณะนั้นต้องชื่อว่าอารมณ์ไม่ดีถึงจะชอบใจก็ควละเรื่องเคยไหมไปตรึกถึงโทสะแล้วชอบใจใช่ อย่างยกตัวอย่างเช่นเราได้ทำใครแล้วเราชนะเขาได้สะใจแลวดีใจมองไหมอันนั้นไม่ใช่อารมณ์ที่ดียิ่งอารมณ์นั้นอารมณ์เลวๆนั่นเองอารมณ์เป็นอนิถารมณ์นั่นเองแต่ว่าท่านผู้นั้นวิปริตมณฑสุการอีกแล้วไปคีดผิดต่ออารมณ์นั้นแต่รับมหาคาตาได้อันนั้นอันนั้นก็รับการมาทำรับรูปแคอนั้นเอง รับกรรมมาทำาใช่ใช่ใช่พราะในขณะดนั้นต้องอยู่ว่าท่านท่านทำอะไรในตอนนั้นท่านทำอะไรแต่โลกุตตระไปรู้ท่านไม่ได้เลยจิตคนประเภทจิตไม่มีปัญญาโทสะเนี่ยอืมใช่ใชย้ตัวใสังเกตนะว่าอารมหกที่เป็นอดีตอนาคตรู้จักอารมณหกใช่ไหม รูปารมเป็นต้นเนี่ยที่เป็นอดีตดับไปแล้วอนาคตยังไม่อารมณ์ที่ยังไม่ไม่ใช่เกิดขนาดน้แล้วก็นิพพานนะรสแ18แล้วก็ธรรมารมได้แก่การมจิต5 <ถ>้าเอเวน้นเว้นไปสจาก54ี่เว้นสามเว้นโทเจ็ดกว่าสเว้นโทสามสองแล้วก็ทุกขาส า, าคตากายโยมญาณจิตหนึ่งถ้าถามโทสา ม, มูรจิตสองจำไมจึงเวน้น เพราะโทสะมริจิตตสองกับทุกกายไม่ใช่อารมณ์ที่ดียิ่งใช่ไหมจึงต้องเว้นออกไปเมื่อเว้นโทสะสองทุกข์กายหนึ่งก็เว้นโทจิตุกะเจริศสไปด้วยก็กในยะนั้นนิพพานนั้นต้องเว้นอยู่แล้วแล้วต่อไปดูชาวนาวระไม่มีอตีแต่ผวังมีอาันรทุกขกับผวงที่เกี่ยวกับโทสะชาวนาสองหนึ่งประเภทนี่นะดูอีทธินี้กามมสะสมนัติผวังสี่ เหมือนกันกับที่มีอติแต่ผวังที่เป็นการผสมณนวังสี่เหมือนกันเป็นโทสายชนะอาการทุกะผวังมาต่างกันตรงไหนต่างตรงอารมณ์บุคคลไม่ต่างทวีเหตุกบุคคล 1, หนึ 1, ่งตีเหตุกับุจฌนหนึ่งอริยผลเบื้องต่ำสองไม่ไม่ต่างเลยใช่ไหมไม่ต่างกับที่มีอติแต่ผวังเลยแล้วภูมิก็กามสุติภูมิเจ็ดอ่ะไม่ต่างอีกนี่ว่าโดยอารมณ์สิเป็นอตีทารมเหมือนกันไหมเหมือนกัน แต่อารมณ์โวกที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานนรูป18และธรรมอารมณ์มันได้แก่กามจิต51เวน้นโทสะสองทุกกายหนึ่งมาคัตจิตแล้วก็เจสิกสีเวน้นโทเจติกาเจสิกสอนิพพานนรูป10ที่เป็นเตกาลิกะแล้วก็บัญญัติไม่ต่างอะไรกันเลยเนี่ยเรื่องอารมณ์นะไม่ต่างกันเลยเรื่องอารมณ์ต่างกันตรงที่ว่าวิธีนี้มีอา ก, การดุกะปรวัง แล้วก็รับอดีตนาโคตนั่นนีใช่ใช่บุคคลต่างนี่เข้าใจแล้วนะมีใครสงสัยอะไรไหมในวิธีนี้เอาไม่สงสัยผ่านเลยดังนั้นไปยี่สิบหกไปหน้าที่ยี่หนี่อารมณ์ทั้งหมดเอาต่อไปมาศึกษาเรื่องอารมณ์ทั้งหมดแล้วว่าอะไรเป็นอารมณ์อะไรอดูการมะอารมณ์บ้างได้แก่อะไรบ้างนิพพานรูปสิบแนิพพานรูปสิบกามจิตห้าสบส เจตสิก52สรุปแล้วก็คือรูป28กาจรจจิธาบสเจตสิก52 ร, รูป28แต่ในที่นี้ท่านมาแยกแยกเป็นอะไรเรามาตรึกดูในเรื่องของอารมณ์6กอดูอารมณ์หกปัญจรมณ์มีวิสยะมีวาิวารูปวิสยะรูปเจนี่นะวิสยะรูปเจคืออะไรรูปอารม์ สัทธารมคันธารมระษารมปัทวีโพธพารมเตโชโพธพารมวายโพธพารมเหม็นไเดยสรุปแล้วมีกี่รูปเนี่ยจด ร, รูปเจรูปนี่เขาเรียกวิสัยรูปหรือวิสยารูปมีอยู่เจอย่างอันนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ได้เท่าไหร่เนี่ยได้อารมณ์ห้าเนี่ยเนี่ยปัญจารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ห้ากรูปารมณ์ 1. แล้วนะสัทธารมมาสองคันธารมมาสาร า, าสารมมีสแล้วก็ปัทวีเตโชวายโยพทธพาราลนีห้ารวมกันส่วนธรรมารมมีอยู่1ิบสบรูปนะสังเกตด้วยนะนี่ท่านแยกมาเนี่ยอาโปอาโปก็เป็นธรรมารมภาษาทารูปหาจากขปภ า, าสาโสตประศาส า, านาประศาสิวหาประสาสแล้วก็กายะภาษาธาเนี่ย มีภาษาทั้งห้าเนี่ยเป็นธรรมารมภาวะรูปสองอิทิภาวะและปุริสภาวะก็ธรรมารมหัตยารูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งรวม11รูปนี้เป็นธรรมารมเหมือนกันนีก็บอกนิพพันนรูป18เนี่ยถ้ามาแยกดูแลเนี่ยนะเป็นธรรมารมเสียเจ็เออเป็นเป็นปัญจารมเสียเจ็ดรูป แล้วก็เป็นธรรมอารมณ์สักรูปรวมเป็นนิพพานนรูปสินี่แยกตรงนี้ให้ได้ให้ชัดเจนสิทำตัวแยกได้แล้วนะแยกให้ได้ตรงนี้บอกว่าท่านนิพพานนรูปเนี่ยเอามาแยกเป็นอารมณ์6แล้วนี่แยกยังไงก็แยกออกมาเลยบอกวิทยารูป7ได้อารมณ์5ได้ปัญจารมณ์ทั้ง5แล้วก็ไล่ไปเลยรูปปารมณส า, ารลมคันธารมลมล่าสายลมปวดทับปรมลมแล้วก็เนี่ยพวกนี้ในได้อารมณ์หแต่มีอยู่7รูปใน7รูปนี้เมื่อมาแบ่งเป็นอารมณ์แล้วได้อารมณ์ห เอ๊ะทำไมถึงได้แค่อารมณ์หบอกเหมยปฐวีโพธพารมก็ทางกายพยาศาสตรอ่ะเตโชโพธพารมก็กายพยาศาสตรแล้วก็วาโยโพธพารมก็กระทบทางกายพยาศาสตร์ใช่ไหมสรุปแล้วกายพยาศาสตร์นี่กินไปกี่รูปสมรูปใช่ไหมมองเห็นยังทางกายพยาศาสตร์ได้สมรูปส่วนทางธรรมรมณ์นี่ได้11รูปนะ ก, ก็แยกแยะไป และอีกอย่างหนึง่งธรรมารมณ์ที่เป็นน้ำเออมันธรรมารมที่เกี่ยวกันในเรื่องของอนิพันธ์เออได้เกี่ยวกันในเรื่องของไอในเรื่องของจิตที่ที่ปนกับจิตนะที่ปนกับจิตโดยเฉพาะเนี่ยจิตแปดสิบเก้าเจตสิทธิห้าสิบสองภาษาทารุปห้าสุขุมมารุสิบหกนิพพานแล้วก็ บ, บรรัญญัติเป็นธรรมารมมั้ยเป็นธรรมารมนี่เป็นธรรมารมณ์แล้วดูก่อนว่า จิตแปบเ้าเป็นจิตเจสิก้าบสองเจสิกภาษาทรุพห้าภาษาทารุพเป็นธรรมารมณ์อยู่แล้วสุขุมวารูปสิบกนี่เป็นอะไรเป็นรูปประเภทไหนมหาพุทธรูปลู่รูปปาทายรูปสุขุมวารูปนี้มีอาโปอยู่ด้วยใช่มใช่ใช่นิพพานและบัญญัติกลุ่มพวกนี้เป็นธรรมารมณ์นี่ที่เราเคยท่องกันมาไงเคยท่องกันมาทีนี้ทีนี้คําว่า มหคัตจิต27โลกุตระจิต8เจตสิกที่ประกอบนี่เป็นเตกาลิกะนะกลุ่มพวกเนี้นิพพานนรูป18บแอนิพพานนรูปสีกามจิต54เจตสิกห้าสมหคัตจิต27โลกุตระจิต8เจตสิกที่ประกอบนี้ได้เตกาลิกะคือได้กรมการ3ได้อดีตอนาคตและปัจจุบันส่วนนิพพานและบัญญัติเป็นกาลวีมูธ พ้นจากอดีตพ้นจากอนาคตพ้นจากปัจจุบันการไปนะพ้นสามการเลยนี่มองเห็นนะสรุปการรับอารมณ์ของอติวิภูตารมวิถีประเภทต่างๆอ น, นี้สรุปแล้วสรุปยังไงอติวิภูตารมวิถีของกามบุคคลกามชวนะเออจะเป็นยังไงกามบุคคลกามชวนะถ้าเป็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เมื่อรับการมาลมที่เป็นปัจจุบั น, นนิพพานรูปส8บแปดก็มีอติแต่ผ ว, วังที่นอกจากปัจจุบั น, นนิพพานรูปสิบแปดจะไม่มีอติแต่ผ ว, วังถ้าไม่มีเหตุขัดข้องจะต้องเป็นตทารมณวาระเสมอถ้ามีเหตุขัดข้องล่ะก็จะรับอติอิทธารมแต่เกิดโทสะจึงจะเป็นชวนะถ้าไม่มีเหตุขัดข้องก็มีบอกว่าไม่มีอาคารดุกับ ว, วังใช่แยกเออ เออตามตามนี้ก่อนก็ได้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องจะต้องเป็นจะารรมะเสมอใช่แยกออกเป็นสองประเภทใช่เป็นกามชาวนะา7เจนี่ยจะต้องรับอิติธาอิาตามชตะตาหรืออ น, นิธะแต่ถ้าเป็นโทศาชาวหน้าสองก็รับอิตรมชตะตาแล้วก็อ น, นิธารมอันนี้นี่แยกนี่จะเริ่มเห็นเนี่ยนะคือในกลุ่มของ ในกลุ่มของชาวนา <sm ug> นี่นะถ้ากามาชาวนะยีบเจนี่ยนะในกลุ่มที่กลุ่มที่ไม่มีเหตุขัดข้องกลุ่มที่จะต้องมีตาธรรมนนั้นน่ะถ้าเห็นกามาชาวนะยีบเจ็เมื่อไร่อารมณ์ต้องมาสาถ้าโทสะชาวนะอารมณ์ต้องมาสองอย่างเี้นะ ก, ก็แยกไปสองเว้นปฏิทารลมออกไป ก, ก็แยกอย่างเง้ยถ้ามีเหตุขัดข้องคือรับคือรับปฏิทารมแต่แต่เกิดโทสะล่ะจึงจะเป็นชาวนาวาละแยกเป็นสองไหม ไม่มีอาคารตุกาภวังผู้ปฏิสนธิด้วยเบขาปฏิทินที่หรับอติธารมแต่เกิดโทสาชวนะหรือประเภทที่มีอาคารตุกาภวังปฏิสนธิด้วยโสมนัสปฏิสนธิด้วยมหมายบากโสมนัสสีเนี่ยนะรับอติธารมแต่เกิดโทสาชวนะนี่เป็นงี้นะเอ๊ะถ้าอย่างนี้แยกออกไหมเนี่ยทีนี้ ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเนะี่ยที่เมื่อรับอารมณ์ที่ที่รับอารมณ์อื่นที่นอกจากกามอารมณ์ไม่มีอตีตวาวังจะเป็นยังไงกลุ่มพวกนี้จะเป็นชาวนาวาระเป็นชาวนาวาระนะแม่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยใครเย็บถติดแน่นเลยเนะี่ยอ่ะดูต่อเมื่อรับอารมณ์อื่นที่นอกจากกา ม, มอารมณนะ์ไม่มีอติตะวงังในข้อท้ายนี่เนยไม่มีอตีตาวัง ถามว่ารับอารมณ์อื่นที่นอกจากกามอารมณ์เนี่ยก็คือไม่ได้รับอารมณ์ที่เป็นกามอารมณ์นั่นเองไม่มีอตีตะวังจะเป็นชาวนาวาระไม่มีอาคารตุกกาพะวังที่เป็นกามชาวนะ26่รับอติอิธารมแล้วก็อิทธามชัดตารม์เห็นไหมอันนี้ไม่มีอาคารตุกกาพะวังนะ แล้วก็ยังแยกผู้ปฏิสนธิด้วยกามเมอเบขาปฏิสนธีหกคื อ, อเวขาสองหมายบาทเวขาสีเนี่ยนะรับอติถารลมแต่เกิดโทสะชวนะแต่เกิดโทสะชวนะส่วนกลุ่มที่มีอาคันตุกะผะวังเป็นยังไงปฏิสนธิด้วยกามสมณัตปฏิสนธิผะวังสี่รับอติถารลมแต่เกิดโทสะชวนะเนี่ยนี่ยเขาแยกออกอย่างนี้คือ คือการแยกเรื่องอารมณ์เป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้มองให้ดีนะอันนี้จะเป็นประโยชน์มากอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยที่มาแยกแยะอย่างนี้จะทำให้เข้าใจวิถีทั้งหมดนี่นะจะทำให้สามารถเฟ้นได้ว่าเ อ, อ๊ะควรเมื่อชาวนาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอารมณ์เป็นยังไงแล้วเหตุขัดข้องหรือไม่ขัดข้องที่จะทาลำนาจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นยังไงจะดูนหน้านี้เลยนี่นะ มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมตรงเนี้ยไม่ถ้าสงสัยถามคิดไม่ทันใช่ไหมอ๋อทำให้คิดช้าลงเออแต่จริงๆก็ไม่ง่วงเงินะแต่มันซึมๆอ่กนั้นดูนาหยิบเจ็ดค่อยๆดูไปอารมณ์ของอติวิภูตาารมณ์วิถีที่ เกี่ยวกับการมะโชานายีิบเจ็ดเว้นโทสาสองในกามะูมิอันนี้เขามาแยกให้ละเอียดเลยเนนี้นะไม่ดูงี้ชัดจีิงจริงนี่ไม่ดูอีกแล้วพอวิธีที่เป็นตทาธรรมนะมีอีิตพัพวังเป็นยังไงอารมณ์สามอธิิทารมิธามชตาารม น, นิธาทารม์คืออารมณ์หกนะ่ะแยกเป็นสามประเภทสามสภาวะตามสภาวะ ส่วนวิถีวิถีที่เป็นแตทารมณนะไม่มีอตีแต่เพวังอารมณ์ก็3อารมณ์6กนั้นแยกเป็นสามสภาวะอตอิทารมอิธามชชะตารมและนิทารมณ์แล้วก็วิถีที่เป็นชาวนาวราระไม่มีอตีแต่เพวังไม่มีอาการตุกัดเพวังได อ, อารมณ์หนึ่งที่เป็นอตอีทาและอิทามชชะตาวนันิทารมณ์ออกไปเราจะแยกอารมณ์ทีนี้ มาดูเรื่องปัจจุบันอดีตอนาคตนิพพานนรูปสิบแปดแล้วก็อนิพพานนรูปสิบกามจิตห้าสี่เจ็ดสี่ห้าสองนี่เกี่ยวกับอารมณ์นะเวลาแยกอารมณ์แยกอย่างนี้ส่วนมหาคตจิตโลกุตตรจิตนิพพานบัญญัติเจสิกที่ประกอบอันนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับกามชาวนะยี่สิบเจ็ดเวนโทศักด ในการมาภูมิท่านในการมาภูมิจะเป็นอย่างนี้โดยสรุปอารมณ์ของเขาก็จะอยู่ในขอบเขตแบบเนี้ยแต่ก็ดูกว้างขวางนะสายไหนเออในสายไหนออมองออกไหมอันจุดแรกเ่ยไอ้อออคาว่าที่มีอาตีแต่พระวังก็แสดงว่ารับปัจจุบันนิพพานนารบสิบแปดไอ้อ น, นิพพานนโรบสิบปดเนี่ยแบ่งเป็นอ่าปัจจุบันก็ได้เป็นอดีตอนาคตก็ได้เ ห, เห็นไหม ในวิถีบางีิถีที่ผ่านมาเนี่ยให้สังเกตดูว่าถ้าถ้าไม่มีอติตาผวังเมื่อไรตัวนิพพานนรูปก็จะไปเป็นอนนดีตอนาคตใช่ไหมนิพพานนรูปสิบแปดอ้าวยกตัวอย่างเลยดีกว่าเปิดมาหน้าที่ยี่ห้าก็จะเห็นเดี๋ยวครับ <c oughs> นี่นี่เห็นแล้วนะคือเย่าเปิดมาหน้าที่ยี่ห้าก็จะเห็นถ้าไม่มีอติตวาวังเนี่ย เขาจะรับอะไรอารมณ์6ที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานนรูปสิบแปเนไะฉะนั้นตัวนิพพานนรูป18เนี่ยถ้าหากไปเกิดในวิถีที่มีอตีตพวังก็จะเป็นปัจจุบันนิพพานนรูปแต่ถ้าไปอยู่ในวิถีที่เป็นตถารมนะไม่มีอตีตพวังเนี่ยเขาจะเป็นอดีตอนาคตนิพพานนรูปนี่นะเป็นอดีตอนาคตแต่ไม่อยู่ในฐานะเป็นปัจจุบัน ใช่ไหมไมไม่อยู่ในฐานะเป็นปัจจุบันเพราะเออเพราะไม่มีอัตีแต่พวังหรือถ้าหากย้อนไปดูอีกทีที่ย้อนไปดูที่วิถีที่มีตถารามนาวาลาเนี่ยเห็นไหมอา่าไปดูหน้ายี่สามก็จะเห็นเลยดูที่ดูวิถีที่ไม่มีอัตีแต่พวังแต่เป็นตถารามนาวาลาเนี่ยกลุ่มนิพพานตรูปสิบแปดก็จะเป็นอดีตอนาคตใช อ, อดีตอนาคตนิพพานตรูปสิบแปดนี่เป็นอย่างนี้ นในช่องนี้ท่านจึงทะลุถึงการในช่องที่หน้ายีบเจ็ดนี่ยจึงทะลุถึงกันเลยว่านิพพานนรูป18มีทั้งจุดปัจจุบันด้วยและทั้งอดีตอนาคตด้วย<ม>ใช่ไหมดูให้ได้ตรงนั้นส่วนอ น, นิพพานนรูปนั้นเป็นยังไง<ม>อ น, นิพพานนรูปเนี่ยสิบเนี่ยก็มีก็จะไปเกิดในวิถีที่ไม่มีอดีตแต่วางเป็นอดีตอนาคตอยู่แล้ว ปัจจุบันกามกจิตทาบสี่เจสีข้าบสองก็ได้สามการอยู่แล้วอั น, นิพ้พรรณรูปสิบก็ได้สามการอยู่แล้วอั น, นิพ้พรรณรูปสิบนี่เป็นเตกาลิกะไหมเตกาลิกะได้อดีตอนาคตและปัจจุบันนักศึกษ า, าวิทยาธรรมให้พูดตามภาษาพระพิธรรมนะเรามักจะพูดปัจจุบันอดีตอนาคตแท้จริงต้องพูดว่าอดีตอนาคตปัจจุบัน <c oughs> พวกนี้นะส่วนนี้ วิถีที่เป็นชาวนาวาระไม่มีอตีแต่พระวงังไม่มีอาการตุกะพระวังนี่นะอารมณ์สองอติอิทาอิทธามาชตะอารมณ์หนึ่งเนี่ยนะมากตะมากาจิตนี่ได้อารมณ์เท่าไหร่อารมณ์หนึ่งโลกุตะจิต8อารมณ์หนึ่งนิพพานก็อารมณ์หนึ่งบรรัญญัติก็อารมณ์หนึ่งเจสิกที่ประกอบก็อารมณ์หนึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นธรมมารมณ์นะถ้าถามบอกว่ามหากตะจิต27เจ็ดแก S <S <S เ, เจตสิกที่ประกอบโลกุตระจิตแล้วก็เจตสิกที่ประกอบเนี่ยได้อารมเท่าไหาร่หูปารมใช่ไหมผมไม่ใช่สัทธารมคันธารมแล้สารมปวดตาบวม ก, ก็ไม่ใช่แต่เป็นเป็นอะไรเป็นธรรมารมนิพพานบัญญัติก็เป็นธรรมารมแต่ว่ามหาคตาจิต27เจตสิกโลกุตรจิต8แล้วก็เจตสิกที่ประกอบกลุ่มเหล่านี้ได้3การเป็นเตกาลิกะคืออดีตอนาคตและปัจจุบัน นิพพานบัญญัติเป็นอะไรเป็นการลวิมุตต์นะก็ะแยกนี้เดี๋วตัวมมองมองออกไหมทันนะทันไหมทันไม่ทันฮนะยิ้มแล้วยิ้มค่อยๆตรึกไปเดี๋ยวก็ทันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวทันเดี๋ยต่ออารมณ์ของอติภูตาโรมณิถีที่เกี่ยวกับโทษาเชลนะสองในไหนในกามาภูมิอันนี้หมายความว่าอารมณ์ของเขาถ้าโทษาเชลนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์ของโทษาจะเป็นยังไง วิธีที่เป็นชาวนะวาลามีอตีตาวางไมมีอาคารตุกต า, กาผวางของผู้ปฏิญที่ด้วยกามอุเบคาปฏิญที่หกชยันรู้ไหมปฏิญที่ด้วยกามอุเบขาผูวังหกปฏิที่หกนี่คืออะไรอุเบขาสันตีแล้วนจิตสองมหาวิบากอุเบขาสี่ 4. รวมเป็นหกก็หมายบ่าอุาอาเบข า, า, บ า, าเน่ก็เรียกอย่างนี้ ก็ต้องเรียกว่าหมาแบบบุยขันี่เป็นอย่างงี้นะทีนี้วิถีจิตที่เป็นวิถีที่เป็นชานะวะละมีอตีแต่ผวังมีอ า, า, า, าการดุจการผวังของบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยกามโสมนัสปฏิสนธิสี่ 4. นี่ลงมาข้างล่างนี่วิถีที่เป็นตถาลัมมณมีอตีแตาาา่ผวังถ้าเป็นตถาลัมมณมีอตีแตาาา่ผวังราบรมณหกเนี่ยนะที่เป็นอตีไทยธรรมาชาตาและนิทา นี่เป็นงี้ทีนี้ถ้ามีอตีแต่ผวงังรับอะไรปัจจุบันนิพพานนะรูปเท่าไหร่สิบปดในส8บดรูปเนี่ยทีนี้วิถีที่เป็นตทาระมะนะไม่มีอตีแต่ผวงเนี่ยอารมณ์หกเหมือนกันไหมหแต่ได้สองสภาวะเห็นไหมต่างกันแล้วอิทธามชตะกับนิถา น, นิเกวกับโทส่าเชลนะนะเกี่ยวกับโทสนะ่เวชวนะ ละอดีตนาคตนิพันธ์รูปเห็นไม้มนิพันธ์นรูปนี่เป็นอดีตนาคตตรงนี้ชัดเลยอนิพันธ์นรูปสิบได้กี่การเนี่ยนิพันธรลบสิบเนี่ยสามกามจจิท้าบสี่เจสิกห้าสิบสองทำไมตัวอารมณ์จึงจํากัดอยู่แค่กามจจิทา้าบสี่โทสะโชนนะโทสะโชนนะใช่เป็นตถารรรมนะด้วยที่จริงคือตทารรมนะด้วยโทสะด้วยนั่นเลย ก, ก็เหมาะสมกัน แต่ในที่นี้เน้นตถาธรรมนะเน้นตถาธรรมนะทีนี้วิถีที่เป็นชาวนาวาระวิถีที่เป็นตถาธรรมนะไม่มีอธิตะ ว, วังตะการไปแล้วต่อไปวิถีที่เป็นชาวนาวาระไม่มีอธิตะ ว, วังไม่มีอาันรตุการะวังของบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยการเมฆเบขาปฏิสนที่6แล้วก็วิถีที่เป็นชาวนาวาระไม่มีอตีตะวังแต่มีอาการตุการวังของผู้ปฏิสนี่ด้วยการเมฆโซมนาปฏิสนที่ส มาดงล่างนี่นะอารมณ์เป็นอติถารมอารมณ์6นั่นแหละเป็นอติถารมโยกไปโยกมาเดี๋ยวเราจะงงเลยเนี่ยรับ อ, ด, อ, 18, อดีตอนาคตนิพพานนรูป18ตัวนิพพานนรูป18มาเป็นอดีตอนาคตเพราะไม่มีอตีแต่ผวังไงไม่มีอตีแต่ผวังอา น, นิพพานนรูป10เนี่เป็นเตกาลิกาอยู่แล้วกามจิตห้าเอ็เวนโทสะสองทุกกายหนึ่งทุกขัสาะ ค, คตากายยมยานจิตหนึ่ง อันนี้เป็นอารมณ์เป็นอัติถารมณ์ไม่ได้ไงมาคัตาจิตได้เจสิกสี่สิบปดเว้นโทเจตุกะเจสิสแล้วก็บัญญัติที่ได้อธิบายไปไม่สักครู่ใช่ไหมถ้าดูตัวอย่างหน่อยก็คือดูตรงไหนที่ไม่มีอตัติแต่วางดูในหน้าที่ยี่ห้าได้ไหมได้เพราะไม่มีเป็นชาวนาวาระไหมเป็นแตทารรมนาวาระเอที่เป็นชาวนาวาระเน้ น, นี่ดูนี้ดูหน้าที่ยี่ห้าเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ย ที่ไม่มีอติแตวังอ่ะที่มีอาคัรตุ ก, กัดพระวังกับไม่มีอาคันตุ ก, กัดพวังเห็นไหมหน้ายิา้มผ้าย้อนมาดูหน่อยเห็นไหมตัวตุ้ยถีที่ไม่มีอติแตว